ไปไหนก็ไปเหอะอย่ามาเสียเวลาอีกเลยก็รู้ว่าเธอเหมือนเชยก็รู้ว่าเธอหมดใจไปไหนก็ไปเหอะหากเธอรู้ว่าใจเธออยู่ไหนก็ขอให้ตามยังใจและขอให้เธอโชคดีไม่ต้องห่วง และวไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเสียใจกับเรื่องแค่นี้ถึงเจ็บยังไงคงไม่ถึงตายไปซะไม่ต้องห่วงอย่ามองฉันให้นานกว่านี้ก็เพราะมันคงจะดีกว่าการที่ฉันมีเธอไปแล้วไม่ต้องกลับ อย่าทำเหมือนฉันทนไม่ไหวก็ขอให้เดินจากไปจากกันอย่างยุติธรรมไม่ต้องห่วงและไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเสียใจกับเรื่องแค่นี้ถึงเจ็บยังไงคงไม่ถึงตายก็เพราะคนอย่างฉัน ใจเพราะคนอย่างเธอไม่อาจทำให้ชีวิตฉันเปลี่ กับเรื่องแค่นี้ถึงเจ็บยังไงคงไม่ถึงตายก็เพราะคนอย่างฉันตายยากต่อให้เธอนั้นทำรุนแรงกว่านี้นก็ยากที่จใจฉันเสียใจเพราะคนอย่างเธอไม่อาจทำให้ชีวิต ก็เพราะคนอย่างฉันตายยากต่อให้เธอเน้นทำรุนแรงกว่า น, นี้ก็ยากที่จะให้ฉันเสียใจเพราะคนอย่างเธอไม่อาจทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนและไม่มีทาง ฉันจะตายเพราะเธอและไม่มีทางที่ฉันจะตายเพราะเธอ